เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผลตอนที่หกอวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นหัวข้อต่อไปหัวข้อ 4.6 เรียนแบบผู้อื่นนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า identification นะความยกย่องความศรัทธาย่อมทําให้คนเราชื่นชมอยากจะเป็นอย่างผู้ที่เรายกย่องนับถือซึ่งถ้าเป็นตัวอย่างที่ดี ม, ม, ม, มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นตัวอย่างเลวมันก็ปวดหัวเท่านั้นเองเราจะเห็นพวกแฟนที่เฮาดาราบางคนในยุคก่อนจะพยายามเรียนแบบเสื้อผ้าทรงผมซึ่งก็ได้กันแต่เปลือก ตางก็ถือว่าเป็นของโก้ของเก๋หน้าภาคภูมิโดยไม่สามารถอ่านจิตของตัวเองเลยว่าเรากําลังหลงบูชาในบุคคลที่ไม่มีค่าเลยจริงๆไม่ต้องยุคก่อนๆหรอกนะแม้ยุคนี้ก็เหอะแต่ดาราเนี่ยมันอยู่ที่การแสดงเนื้อหาสาระด้วยถ้าเป็นเนื้อหาสาระที่ดีเนี่ย แล้วคนแสดงนั้นก็นะเป็นคนดีด้วยมันก็น่ายกย่องและก็น่าบูชาแหละแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางทีบทแสดงดีแต่ตัวตัวดาราจริงๆไม่มีศีล น, น ะ, ละแล้วเธอเราก็เละเทะเพราะฉะถ้าอย่างนี้แล้วถ้าเราไปหลงบูชาเนี่ยบางคนดูแล้วนี่คือไม่เข้าใจว่าเนื้อหาของหนังใช่ควรบูชาคนนี้ แต่ไปหลงติดยึดบุคคลด้วยที่ว่าบุคคล น, นี้เนะี่ยไปเข้าใจผิดว่าเขาดีอย่างในหนังเข้าใจไหมแต่จริงๆนิสัยจริงๆแล้วเขาเลวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไปหลงติดบุคคลอย่างนั้นไม่ได้ส่วนตรงข้ามเห็นไหมมีแม่จําได้ไหมที่เขาบอกว่าพวกดาวร้ายอะ่ะนะเวลาเขาแสดงดิบางคนโอ้โหแสดงแล้วดูแล้วเลวเป็นคนเลวในหนังแต่จริงๆแล้วกลับนิสัยดีนะกับ กับอาจจะเป็นคนที่มีศีลมีธรรมะโดยซ้ําไปแต่เวลาแสดงไม่ต้องไปแสดงเลวได้บทเลวเพราะว่าหน้าให้หน้าหน้ า, นาตาให้แต่จริงๆนิสัยดีเพราะอย่างเงี้ยบางคนก็หลงอีกใช่ไหมหลงไปเข้าใจไปยึดตามบทหนังนะครนี้นะไปหลงเข้าใจยึดตามบทหนังว่าคนนี้เลวแล้วก็เลยไปหลงว่าคนคนนี้คงเลวทั้งในจอทั้งนอกจอ วนคนนี้บางทีไปที่ไหนก็โดนด่าไปที่ไหนคนเขาก็เอาไม้ตีหัวให้นะไอ้นี่มันมันมันหลงมันเลอะเทอะแ้วแยกไม่ออกว่าหนังหรือว่าเรื่องจริงหรือว่าอะไรกันแน่นะอย่างนี้ดูหนังแบบไม่มีปัญญายานอะไรเลยนละ้วดูแล้วก็ปนเปย์ไปหมดอ่านระวมไปทั้งนั่นแหละที่พ่อท่านพูดบ่อยๆนะคือบางทีดาราทุกวันนี้เขามีขานิยมว่า ต้องแสดงได้หลายหลบทถึงจะถือว่าเก่งเป็นพระเอกก็ได้เป็นผู้ร้ายก็ได้เป็นบทอื่นๆก็ได้เขาเาเา่านิยมเขาเขาถือว่าอย่างนี้นเก่งแสดงว่ามีความสามารถสูงแสดงบทไหนก็ได้นะอันนี้เป็นความหลงแบบโลกีหลงแบบโลกโลกแต่ถ้าโดยธรรมะจริงแล้วเนี่ยนะคนที่แสดงบทดีได้ก็ควรแสดงดีถูกไหมแต่ไม่ใช่ว่าคนแสดงบทร้ายก็แสดงร้ายตลอด แต่จริงๆอย่าน้อยคนที่แสดงความดีไปเนี่ยให้คนได้ได้พบเห็นใช่ไหมคนมันก็ประทับตาถึงใจเพราะเขาก็จําไว้แล้วว่าเออคนนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าเรื่องรามเกียรติเนี่ยที่ผู้ที่แสดงเป็นรามเกียรติเนี่ยโอ้โแสดงได้ดีมากดีจนกระทั่งคนที่แสดงเป็นรามเกียรติเนี่ยเดินไปที่ไหนนะหมายถึงว่านอกนอกการแสดงแล้วนะโอ้โหคนนี้มากราบถึง เอามือนี่กาบถึงเท้าเออกาบเท้าคนที่แสดงนี่เลยนะแบบว่าเขายกย่องเข้าอะไรกันมากแต่เสร็จแล้วถ้าเกิดดาราคนนี้พอไปแสดงเรื่องต่อไปไปแสดงเป็นผู้รายย้ายเงี้ยโอ้โหคนมันเสียความรู้สึกหมดเลยไอ้ที่บางทีอะไรอะ่ะยกย่องหรือว่าสารเสริญเอาไว้นี่นะเสียความรู้สึกหมดว่าอันนี้มันก็ต้องมีส่วนที่ จะต้องรู้แล้วก็จะต้องเราลึกเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เรื่องหลงหนะอันนี้แต่ว่ามันหมดอะไรที่ดีอยู่แล้วที่มันเป็นเรื่องที่น่าเคารพน่าศรัทธาเนี่ยเราก็น่าจะรู้ว่าว่าเอออันนั้นเป็นสิ่งที่น่าเคารพน่าศรัทธาเพราะบางทีมันพูดยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราเองเราต้องเข้าใจทั้งเรื่องของความจริงเข้าใจทั้งเรื่องของการแสดงแล้วเข้าใจทั้งความรู้สึกของคนที่บางทีเนี่ยเรา คิดว่าอะไรดีแล้วเนี่ยมันก็น่าที่จะให้ดีไปเรื่อยแต่ถ้าอย่างเงี้ยคนในวงการเขาบอกว่าฮวงยิชย์เชยอย่างนี้นี่ไม่เก่งหรอกแสดงได้บทเดียวถ้าเป็นพระรามแล้วก็ต้องเรื่องอื่นก็ต้องเป็นพระเอกแบบพระรามอย่างเงี้ยไปเรื่อยแหละอย่างนี้เขาถือว่าไม่มีฝีมือนะอันนั้นก็เป็นค่าอิทยมแบบโลกโลกเาแต่อันนี้เนี่ยเขาพูดในแง่ว่า พวกดาราพวกนักแสดงเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายนะักนะเพราะฉะนั้นบอกว่าอย่าไปหลงบูชาบุคคลแต่ในสังคมโล ก, โลกมันก็ต้องมีแบบนั้นนอกจากจะเรียนแบบเสื้อผ้าการแต่งกายน้ำเสียงแล้วแม้บางทีการได้เดินอยู่ใกล้ๆหรือแม้แต่การมีของใช้ของผู้นั้นมันก็ทำให้เราเห่อหรือเท่ขึ้นมาก็เป็นไปได้ จะเห็นบางคนเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหนเป็นต้องมีหน้าโพมาร่วมกับเขาทุกทีหรือมีรูปภาพของผู้นั้นติดไว้ที่บ้านพูดง่ายว่านี้เหอืนะเวลาไม่รู้แหะคนที่เราเคารพคนที่เราชอบไปที่ไหนต้องตามไปนั่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอลายเซ็นไปที่ไหนโอ้โหขอลายเซ็นเสร็จเอามาใส่กรอบอย่างดีเลยกรอบวิทยาศาสตร์หรือกรอบอะไรแล้วแต่เอาไปห้อย ประดับไว้ตามผนังบ้านรู้สึกเป็นเกลียดมากสูงส่งอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นความหลงความเหอตามแฟชั่นบางอะไรบ้างแต่บอกแล้วนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นศรัทธาได้นะไม่ใช่แบบว่าเหอไว้แบบโลกโลกโดยไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าแต่ถ้ามันโนม้มในทางดีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นศรัทธาแต่ศรัทธาก็จะต้องมีปัญญาด้วย ไม่ใช่ศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่ศรัทธาแบบแบบบ้าเลือดศรัทธาแบบบ้าเลือดนะนีคื อ, อไไาาฮ ะ, อะปลาก็นั่นแหละถึงบอกว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันโน้มไปทางที่ดีมันก็เป็นศรัทธาแต่ถ้ามันไม่ดีมันมันก็กลายเป็นกลายเป็นเถอถ้ามันไม่ดีมันก็กลายเป็นเถอกลายเป็นอะไรอะ่ะหลง เลอะเทอะไปงั่นเองนาแต่การเรียนแบบก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวเสมอไปกรณีที่เป็นการเรียนแบบทางธรรมเห็นไหมเนี่ยเขาบอกแล้ยิ่งเราสามารถสร้างเอกลักษณ์ทางธรรมได้ประโยชน์ยิ่งจะเกิดขึ้นมากเช่นการใช้สีเสื้อผ้าการพูดการจาการกินการอยู่หรือแม้แต่ความคิดความอ่านซึ่งถ้าประกอบด้วยปัญญาแล้ว มันก็สามารถรวมเป็นพลังธรรมที่มีฤทธิ์ยิ่งเป็นหมู่กลุ่มที่สามารถสร้างพลังสร้างสรรและต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะอันนี้เ็าพูดว่าถ้าพูดง่ายถ้าใช้ภาษาแบบโลกๆนะถ้าเหอมานในทางธรรมะเนี่ยเออดีดีกว่าจะไปเหอทางโลกีเหอทางธรรมเนี่ยมันยังได้ประโยชน์แล้วก็อะไรอ่ะ ได้ความดีเพิ่มแล้วก็พอได้ความดีเพิ่มแล้วมันไม่ดีแค่ตัวเราเองคือถ้าเป็นคนดีเนี่ยตัวเองดีแล้วจะช่วยผู้อื่นให้ดีด้วยช่วยสังคมให้ดีด้วยเพราะันถ้าใครมาเห่แบบในทางธรรมเนี่ยก็ยังดีนะแล้วมันมีพลังจริงจริ ง, รงยิ่งไม่ใช่เห่คนเดียวนะเห่เยอะๆเห่หลายๆคนเป็นหมู่เป็นกลุ่มนะพลังศรัทธานะความดีก็จะยิ่งมีพลังเพิ่มมากขึ้นการเรียนแบบ จึงมีทั้งพลังสร้างสรรค์ถ้าหากประกอบด้วยปัญญาแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพลังแห่งการทำลายถ้าหากเป็นไปด้วยความโง่โงเช่นฝึกบำเพ็ญตบะธรรมโดยไม่รู้เป้าหมายไม่รู้แก่นแท้หรืออยากบวชเป็นพระซึ่งโดยแท้จริงแล้วผู้ใดศรัทธาในสิ่งใดย่อมมีแนวโน้มเรียมแบบในสิ่งนั้นเป็นปกตินิสัยอยู่แล้ว อาจจะเป็นจิตสานึกหรือจิตใต้สานึกก็ได้ถ้าไปศรัทธาเอาพวกดังๆที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชอบคบชู้ซ้ำสอนอวดดีอวดเก่งมากกว่าคารทีมากกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ถือเป็นกรรมของสัตว์โลกไปคืออันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เขาพูดถึงเรื่องของการเรียนแบบเนะียเพราะมันมีทั้งสองมุมเรียนแบบผู้ที่ดี นะก็จะได้ดีเรียนแบบผู้ที่เลวเราก็จะได้เลวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยดีไม่ค่อยจะอยากเรียนแบบแร้วยากนะจะเรียนแบบดีเนี่ยเพราะว่ามันลำบากกว่าเลยไม่ค่อยจะเรียนแบบเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเป็นการเสียสละต้องมีความอดทนนะดีเนี่ยมันมันมันถึงยากกว่าเลวตรงนี้ส่วนเลวนี่บางทีแม่นะ ทำได้ง่ายพุทธเจ้าท่านท่านท่านจึงตัดเอาไว้ว่าคนดีเนี่ยทาดีได้ง่ายแต่ทําชั่วได้ยากส่วนคนชั่วนี่ทําดีได้ยากแต่ทําเลวได้ง่ายนะก็ให้ดูมันมันก็เป็นเครื่องชี้แล้วก็ทดสอบอย่างหนึง่งที่จะมาพิสูจน์เหมือนกันมุมกลับเนี่ยมันจะมาพิสูจน์ได้เห็นว่าเออเรานี่ดีหรือว่าเลวขนาดไหนเพราะมันดูได้จากการที่เรา เรียนแบบหรือว่าทำอะไรตามเนี่ยถ้าเราทำตามดีได้ง่ายได้ง่ายแสดงว่าเราเป็นคนดีได้มาก <c oughs> ฟังดูให้ดีนะแสดงว่าเรามีเชื้อดีอยู่มากถึงได้เรียนแบบทำดีนี่ได้ง่ายแต่ถ้าอะไรดีๆเนี่ยเรารู้เลยโอ้โหฝืนใจมากเหลือเกินยากลำบากนะแสดงว่าเรายังเลวอยู่มากมันถึงได้หรู้สึกทำไมทายากทำเย็นอย่างนี้โว้ยเนี่ยมันมันเป็นเครื่องพิสูจน์ที่จะ ทำให้คนเราเนี่ยเห็นตัวเราเองเนี่ยชัดเจนซึ่งอันนี้แตมาอยากจะบอกว่าคนเราจริงๆน่ยควรจะได้เรียนรู้ตัวเองหรือที่ใช้ที่เขาใช้คําว่ามองตนมองตนเนี่ยคือจะได้มองรู้จักตัวตัวเองของเราชัดเจนแล้วไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราหรอกจริงๆล่ะเราต้องรู้ดีกว่าคนอื่นเพราะใจมันจิตบิญญณยานเป็นของเราเอง ว่าไอ้พฤติกรรมที่เราแสดงออกเนี่ยนะผลสะท้อนที่มันกลับมาเนี่ยถ้าเป็นคนที่หมั่นพิจารณาตัวเองบ่อยๆจะรู้จักตัวเองชัดเลยและจะเลิกโกหกตัวเองหรือว่าเลิกหลอกตัวเองว่าอาจามาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยอย่างไหนเร็วๆเรารู้เลยว่าไม่ไม่ดีไม่ควรไปทําแต่เรายังทําอยู่ให้เรารู้เลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยนิสัยเรายังเร็วมันถึงทําเร็วได้ง่าย <laughs> แต่ถ้าเราไปสังเกตดูสิเรื่องไหนเรารู้ว่าไม่ดีนะไม่ควรไปทำไม่น่าไปทำโอ้โหจะให้เราไปทำเรารู้สึกฟื้นใจเรามากเลยเราไม่อยากจะไปทำเลยเรื่องนั้นนะรู้จริงๆบางทีต้องโดนบังคับอะเราโดนอำ น, นาจ บ, บังคับเรายังรู้เลยว่าขนาดโดนบังคับนี่เรายังไม่อยากจะทำเลยมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าเออแสดงว่าคนนี้มีเชื่อดีอยู่เยอะ มันถึงได้ไม่ยอมที่จะไปทําเร็วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นสัจจะเห็นความจริงของตัวเราเองเนี่ยชัดขึ้นอันนี้หัวข้อต่อไปหัวข้อ 4.7 นะการชดเชย compensation เป็นอีกรักษณะหนึ่งของการแก้ความขับข้องใจที่เราอ่านมาเป็นหัวข้อหัวข้อต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยพยายามจะหาทางแก้ไขจิตตัวเองนะ จะวิธีระบายออกก็ตามวิธีกรบเกือนก็ตามวิธีแก้งทําเป็นโกรธก็ตามอะไรที่เราเรียนเรียนที่เราศึกษากันมานะหรือหลังสูตรตะกี้เนี่ยวิธีเรียนแบบก็ตามเป็นวิธีที่เราจะแก้แก้จิตเราแต่ว่าบางทีเนี่ยมันแก้ผิดแก้ถูกนะในในหนังสือแบบนี้เขาก็พูดทั้งสองมุมอะว่าบางทีไอ้ที่แก่แก่เนี่ยมันแก้แบบกิเลสตัวเองไม่ได้แก้ให้ดีขึ้น นะแต่บางทีก็เออแก้จริงแก้ให้มันดีขึ้นจริงๆได้ลดกิเลสนะอันนี้การชดเชยก็เป็นการแก้ความคับข้องใจอะไรเนี่ยฟิวหรือเปล่าฟิวฟเรฟสสเตชันโดยใช้กิจกรรมอื่นๆมาชดเชยนะเป็นการสู้ความล้มเหลวหรือจุดอ่อนของตน โดยสร้างเป้าหมายใหม่ตัวอย่างเช่นเรียนไม่เก่งก็เล่นกีฬาเก่งนะพูด ง, ง่ายว่ารู้ว่าตัวเองเรียนไม่เก่งพูด ง, ง่ายว่าหาปมเด่นมาอุดปมด้อยนะก็รู้ว่าเรียนไม่เก่งเพรา ะ, ะน้นต้องหาอย่างอื่นมาที่มันเก่งเนี่ยเอามาชดเชยหรือว่าเอามาทดแทนจะได้ทำให้มันสมดุลได้อยู่เหมือนกันเหลือบางคนนะ่ะเทศไม่เก่ง สมมุตินะพูดไม่เก่งก็เลยต้องพยายามทำงานให้เก่งนะใช้กายกรรมเนี่ยมชดเชยกับวาจีกรรมส่วนบางคนนี่พูดเก่งแต่ทำงานไม่ค่อยเก่งนะเก่งแต่พูด <c oughs> <c oughs> ก็ดูเอาน ะ, ะ <c oughs> หรือตัวอย่างความสามารถไม่ค่อยมีก็มักจะขี้โม้เก่งอ้าว <c oughs> เห็นไนี <c> ่แ <oughs> ตรงเป๊ะเลยนะ <c oughs> มาไม่ได้อ่านมาก่อนหรอกนะ หรือว่าไม่สวยก็ขยันเป็นต้นนะอันนี้เป็นสองสาตัวอย่างที่เขายกมาจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของการลบล้างปมด้อยที่ตัวเองมีดังนั้นถ้ายังยึดถือสิ่งใดเป็นปมด้อยมากก็มักจะยิ่งหาสิ่งชดเชยมากขึ้นตามไปด้วยการใช้ชีวิตด้วยวิธีการนี้ส่วนใหญ่จึงมีความร้อนสูงตลอดเวลา ยิ่งในสังคมที่หลงไหลในวัตถุด้วยแล้ววิธีนี้ต้องเอามาใช้อยู่เสมอคือเขากำลังจะวิจารณ์ว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันแข่งขันกันสูงเมื่อมีการแข่งขันกันสูงเนี่ยคนเรามันก็เลยแบบว่าถ้ามีปมด้อยอะไรมันต้องรีบปิดปมด้อยและจะเอาอะไรมาปิดอ่ะก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นปมเด่นเนี่ยมามาปิดปมด้อยให้ได้เพราะมันก็เลย เลยแบบว่าโอโหความร้อนหรือว่าการแข่งขันกันนั่นเองมันเลยมีจัดมีสูงมากลนะการแข่งแย่งการชิงดีชิงเด่นกันเลยสูงนะหยุดคิดสักนิดตั้งสติให้ดีเราก็อาจแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไม่หลงไปตามค่านิยมที่เขายึดถือกันเกือนี้ถ้าพูดในทางธรรมอ่ะนะในทางธรรมเนี่เราจับกิเลสเราให้ได้ ว่าเออออนี่ยเราชักจะรู้ว่าอันี้ไม่ดีนะเราไม่เก่งเรื่องนี้เราต้องรู้สัจจะรู้สัจจะนี่ไม่ใช่ว่ารู้สัจจะที่เราไม่ดีเรื่องนี้เราไม่เก่งเรื่องนี้ก็เลยไปเอาเรื่องอื่นมาอุดอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นการเหมือนกับกลบเกลือนเหมือนอาการชดเชยที่ที่มันยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุหรือว่าตัวจริงมันเป็นวิธีเอามากลบกันเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพุทธเจ้าท่านกับตรัสสอนเอาไว้ว่าถ้าต้นเหตุมันเกิดขึ้นที่ไหนสมมติว่าเรามีปมด้อยเรามีจุดอ่อนอยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้แก้ตรงที่ปมด้อยแก้ตรงที่จุดอ่อนเราแก้ให้มันดีขึ้นให้มันเข้มแข็งขึ้นพอเราแก้มันดีขึ้นให้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วนี่ยแล้วมันมันจะคลายลงจิตมันจะวางลงไม่อย่างนั้นถ้าเอามัง ก, กบเอาไว้ ก, กบเอาไว้ ก, กบเอาไว้นะไอ ไอตัวที่เราเสียจริงๆเนี่ยตัวที่เราบกพร่องจริงๆเราไม่แก้มันซ่อนนะไว้มันฝังไว้อยู่ในใจเท่านี้เพราะพอวันไหนเนี่ยที่มันโดนใครมาสะ ก, กิดหรือว่าอะไรมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็น่าแตกนะหรือว่ากลัวคนจะมาเขีย่ยแผลตรงนี้กลัวคนจะมาเปิดเผยเพราะฉนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ต้องเอาอะไรมากบให้หนักขึ้นกว่าเดิมนะเหมือนกับผู้หญิงอย่างเงี้ยบางทีอ่ะ เดี๋ยวหน้าไม่เรียบหน้าไม่เกลี้ยง<ๆ>ก็กลัว<ๆ>กลัวคนเขาจะว่าอู้หน้าผุๆหน้าไม่สวย<ๆ>หน้าไม่ดี<ๆ>ก็เลยต้องเอาไอ้เครื่องสําอาง<ๆ>เครื่องอะไรมาทามาพอกมาปิดมากลบไม่ให้ไม่ให้มันเห็นของจริงว่าหน้าตาจริงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นความกลัวยิ่งทําไปนานก็ยิ่งกลัวหนักขึ้นเรื่อยเรยยิ่งกลัวเสร็จแล้วยังไงยิ่งกลัวก็ยิ่งมาโปะ บะ โ, โ, โบเข้าไปบ่อยๆเหมือนกับกิเลสเราเองเนี่แหละเราลองไปดูแล้วกันกินเลสเราเองบางครั้งเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหกิเลสเรื่องนี้เราเรารู้เลยว่าเป็นสักกายะคือเนี่ยแหละจุดอ่อนของเราเรารู้จริงๆว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของเราแต่เราไม่กล้าบอกอะ่ะไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าที่จะไปให้ใครรู้เพราะถ้าใครรู้เราแล้ ว, ลว เ, ลเดี๋ยวโอ้โหตายเลยเดี๋ยวแซลเราเดี๋ยวเดี๋ยว พูดติเราหรือว่าเรานี่เราทนไม่ได้แน่เลยเราแย่แน่แน่ว่าบางคนจะหาโน่นหานี่มากลบไว้มาปิดเอาไว้ไม่ให้คนอื่นมารู้จุดบกพร่องเราเพราะมันตรงข้ามถ้าเป็นของาศาสนาพุทธเรานี่พระเจ้าบอกว่าให้หัดเปิดเผยยิ่งเรามีความผิดเรามีจุดบกพร่องมีจุดอ่อนอะไรนี่ต้องหัดเปิดเผยยิ่งยิ่งต้องให้คนอื่นรู้ให้เพื่อนผู้ประพฤติ ผมจรจันด้วยกันเนี่ยเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยให้รู้เขาจะได้ช่วยแก้ไขให้เราด้วยช่วยติติงเตือนเราด้วยนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ละอายเวลาจะไปทําผิดเนี่ยเราจะได้ละอายจะได้ไม่กล้าไปทำนะเราหรือว่าบางทีพอเราจะไปทําผิดเนี่ยเพื่อนรู้ใช่ไหมเพื่อนก็จะได้มาคอยระวังคอยป้องกันคอยแก้เอ้ยอย่าทํานะอย่างนี้ไม่ดีนะพอรู้ว่า มันเป็นสักากาของเรามันเป็นจุดอ่อนมันเป็นจุดบกพร่องของเราเพราะอันนี้อาจายมาอยากจะแนะนำว่าอันนี้ต้องหัดเปิดเผยเอาไว้แต่ก็ต้องรู้นะว่าเราต้องเปิดเผยกับผู้ที่อะไรอ่ะจะช่วยเหลือเราได้ถ้าเปิดเผยผิดพลาดก็อาจจะยิ่งแยก่กว่าเดิมมาได้เพราะมันเป็นจุดอ่อนเป็นปมด้อยของเราอยู่แล้วเนี่ยไปเปิดเผยกับคนที่ไม่เหมาะสมนี่ เพอเพอขาเอาปมด้ยเราไปพูดเนี่ยโอ้โหเราเรายังทําใจไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งยิ่งอายยิ่งกลัวเพอเอยู่กับหมู่กลุ่มนั้นไม่ได้เลย <ๆ S 1> เพราะความที่อายความที่กลัวว่าคนจะเอาความลับของเราไปเปิดเผยใช่ไหมแต่ทันี้เราไปบอกคนพูดง่ายไปบอกเพื่อนที่เก็บความลับของเราไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาไปเปิดเผยเสร็จก็โอ้โหอายทนไม่ได้พอนก็บายบายลาก่อน นะก็ต้องไปหาที่อยู่อื่นนะเอาหน้าไปซุกที่อื่นไว้ก่อนนะัาไม่อยากให้ใครเห็นหน้ า, าทำนองนี้หยุดคิดสักนิดตั้งสติให้ดีเราก็อาจแก้ปัญหาเรานี้ได้ไม่หลงไปตามค่านิยมที่เขายึดถือกันเมื่อไม่สวยก็รู้ว่าไม่สวยไม่ถือเป็นปมด้อยอะไรแต่ถ้าจะขยันเพราะเห็นว่าเป็นความดีก็ทำไป นะอันนี้แก้ในแนวธรรมะแนละ้วคือให้รู้สัจจะให้เห็นสัจจะนะว่าสวยหรือไม่สวยนี่มันเป็นเรื่องรองมันไม่ใช่เรื่องที่แหมจะต้องไปให้คุณค่าอะไรกันมากมายจริงๆเรื่องของจิตใจเรื่องของนิสัยที่ดีงามนี่กับสําคัญกว่าเรื่องหน้าตาต้องเยอะนะอันนี้ก็แก้ไขโดยการที่ต้องรู้สัจจะรู้ความเป็นจริงให้ได้หรือตัวอย่าง เมื่อรู้ว่าไม่ค่อยมีความสามารถก็ฝึกฝนเข้าแต่อย่าขี้คุยนะอันนี้ก็แก้ตามความเป็นจริงเนี่ยรู้ว่าตัวเองจุดอ่อนอะไรบกพ่องอะไรนะอย่างเช่นบางคนรู้แล้วว่าแพ้อยู่เรื่อยเลยเรื่องกินแพ้อยู่เรื่อยเลยเรื่องกินนะหรือบางคนแพ้อยู่เรื่อยเลยเรื่องนอนนะหรือบางคนก็รู้ว่าเออแพ้อยู่เรื่อยเลยเรื่องกามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องรู้ความจริงก็ได้ว่าเอออันนี้เป็นศักกะยของเรา เป็นจุดอ่อนของเราเพราะเราจะต้องพยายามภาคเพียนจะต้องอดทนน่าจะต้องตั้งใจตั้งมั่นที่จะแก้ไอ้กักยะ ต, ตัวนี้ของเราเนี่ยให้ได้นะแล้วก็เพียนให้มากๆครับแต่ไม่ใช่พอแหมบางทีแก้ไขได้ดีขึ้นมาหน่อยถึงปัาบก็เอาเลยเชยนะคุยใหญ่เลยน้าลายแตกฟองนะก็ต้องก็ต้องดูด้วย อีกตัวอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองแต่งตัวไม่ทันสมัยก็ไม่เห็นจะต้องอับอายเลยถ้าหากรู้คุณค่าชีวิตที่แท้จริงนะวงเล็บเปิ ด, ดทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความยึดมั่นของแต่ละคนถ้าเราหลงว่ามันมีค่ามันก็มีค่าสำหรับเราจริงๆถ้าหากสังคมเขาดูถูกว่า เราเป่ากบไม่เป็นเล่นหมากเก็บไม่เป็นไม่เก่งทีอย่างนี้ทำไมเราถึงไม่หวั่นไหวบ้างล่ะวงเล็บปิดคือประเด็นนี้เนี่ยหมายความว่าว่าปัญหาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่เราไปยึดหรือว่าเราไปให้ค่าเพราะเรื่องไหนที่เรายึดเรื่องไหนที่เราให้ค่าเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โห มันยังไงกลัวนั่นกลัวนี่กลัวอะไรต่างนานานะแต่บางเรื่องเรื่องไหนที่เราไม่รู้สึกว่าจะไปให้คุณค่าอะไรกับมันเนี่ยถึงจะมีคนมาแซวมีคนมาว่ามีคนมาติมีคนมาเตือนมีคนมาล้อเล่นอะไรกับเราเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อย่างที่อาจามาบอกว่า มันอยู่ที่เราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นมันขนาดไหนวันถ้าใครเนี่ยพยายามเบาๆลงบ้างนะอย่าไปยืดยิ่งไปยึดแบบโลกโลกโลกีเนี่ยหัดผ่อนๆลงมาบ้างอย่าไปยึดมากเลยยึดว่าต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีครอบครัวต้องมีเตียงต้องมีโทรทัศน์ตู้เย็นบำรุงบำรเลชีวิตนะอย่างนั้นนะชีวิตถึงจะมีค่า ถ้ายืดอย่างนั้นน่ยมันก็ต้องมีให้ได้พอเวลาหรือว่ายัางไม่มีอย่างเงี้ยพอเวลาใครเข้ามาบอกโอ้ยนี่ดูบ้านชั้นที่นี่ครบสมบูรณ์พร้อมแบบนะมีทั้งแอร์มีทั้งตู้เย็นพัดลมอะไรต่างบอกก็บ้านเธอมีไหมบ้านเธอยังไม่มีเหรอโอ้ยอย่างนี้อะไรก็จอกกระจิบมึงไม่ใช่กระจอกนะั่นกระจิบนี่เล็กกว่ากระจอกอีก เนี่ยอย่างเงี้ยก็อายขายหน้าอะไรเงี้ยก็เพราไปให้ค่าความสำคัญกับไอ้สิ่งนี้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าควรจะรู้ตัวนี้ด้วยเพราะบางทีค่านิยมบางอย่างเนี่ยที่มันมันไม่ควรที่จะไปยึดไม่ควรที่จะไปถือมันก็ปล่อยไปบ้างนะอย่าไปยึดอย่าไปถือไปให้คุณค่าอะไรมันมากมายนะบางคนเนี่ยยังไงนะ ถ้าไม่แต่งหน้าทาปากได้ยินอยู่บ่อยๆไม่แต่งหน้าทาปากไม่กล้าเดินออกจากบ้านนะหลายคนเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีถ้าไม่แต่งหน้าไม่ทาปากโอ้ยไม่ได้หรอกออกไปเดี๋ยวก็หาว่าเป็นใยซิมที่ไหนโผล่มานั้นต้องแต่งหน้าทาปากก่อนเมคอัพก่อนแล้วถึงจะโอ้กล้าออกจากบ้านเพราะกลัวเขาหาว่าไม่สวยมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ย แลพวกเราเนี่ยหลายคนพอมาลดร้านล้วถึงเนี่ยเออเขานี้ไม่กลัวเลยเขาจะว่าโอ้โหทำไมอย่างนี้ปากซีดแล้วหน้าก็ซี